จะเป็นผู้ปฏิบัติตามใจถ้าใจหัวจักพาไปผิดก็ต้องผิดหัวจักพาไปถูกก็ต้องถูกมันขึ้นอยู่กับหัวจกักธรรมเทศนาของพระบรมาาศาสดาแต่ละชาติละชาติมันก็เริ่มต้นมา ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงมรณะภาพในชาติหนึ่งๆแค่เดี๋ยวไม่ลงธรรมาทิเลยนับแต่ปฏิสนธิมาจนเดี๋ยวนี้ผลของกายก็มีแต่ทุกข์เท่านั้น ยาวาการิกระทุกทุกทางกายจิตใจจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาความจริงก็ไม่นีจจากความจริงในส่วนนี้พอปฏิสันเทแล้วก็แก่มาโดยลำดับไม่มีกางวันกลางคืนทุกวินาที จนถึงตลอดถึงป่านนี้ที่นี้ความเจ็บก็สัมพยุต์กันมาในขณะเดียวที่นี้ความตายจากข้าสายายเที่ยงจากวันเวลาก็สัมพยุต์กันมากลมกลืนกันแบบนี้ ผู้ใดเห็นทุกข์อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้นั้นไม่เอาทุกข์ไปพระนิพพานก็ยจริงแต่ประตูความเบื่อหน่ายของท่านผู้นั้นจะนับวันจะเปิดเพราะมีกุญแจเปิดประตูพระนิพพาน ทุกข้งอดีตทุกขัางอนาคตทุกขังปัจจุบันเยาว์ากายจะทุกข์ทุกทางกายเจตสิกทุกทุกทางใจถ้าจิตใจห่างเหินจากการปฏิบัติสินธรรมที่พระบรมศากสดาสอนไว้จิตใจก็ต้องเป็นทุกข์ ไม่มีสารอุทธรถ้าจิตใจปฏิบัติศีลธรรมเข้าที่ควรของแต่ละลายของแต่ละท่านสารอุทธร์ก็ต้องมีเพราะไม่ทุกมากเพราะรู้ตามเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยขิ้นความสงสัยตามเป็นจริงด้วยในเรื่อ ง, งนั้นๆตามฐานะแต่ละท่านละท่าน ทางใจเป็นของสำคัญในพระพุทธศาสนาทุกทางกายคล้ายกับโทรศัพท์โทรเลรขถ้าโทรมาถึงใจให้ปรากฏ ร, รู้แต่ซากของคนจายนั้นเพราะวิญญาณไม่อยู่ในที่นั้น ก็ไม่รู้ว่าทุกอะไรเพราะเหตุใดเพราะวิญญาณไม่อยู่ในที่นั้นไปทางอื่นเสียแล้วถ้ามีบาปก็ไปห้าบาปถ้ามีบุญก็ไปห้าบุญถ้ามีฌานมีสมาธิสมาบัติก็ไปสู่ภมมิโลกหรือเทวโลกหรือระลึกถึงทานถึงศีลถึงภาวนาของตนแล้วก็สิ้นลมปาง ก็ไปเทวโลกก็มีเปโภโมโลกก็ดีก็ก็มีเป็นพระสวสดิบาลก็มีเป็นพระสัคทาคามีก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระอรหันตก็มีมันขึ้นอยู่กับเสละลายของบุคคลจะถู่ขาดไม่ได้ด้วยปัญญาอันชัดของเต่ละลายของบุคคลเพราะคนเราเกิดมาบางท่านก็ื่อสร้างมารมีมาแก่กล้างแล้วบางท่านก็เพิ่งจะมาเกิด เป็นมนุษย์บางท่านก็มาจากเทวดาบางท่านก็มาจากคุมโลกบางท่านก็มาจากสตัตว์ทสารนม่เสมอเหมือนกันหมดเพราะกรรมมุนีนาวัตติโลกูชั้นโลกเป็นไปตามกรรมและผลของกรรมที่ตนสร้างไว้ในพบนี้และพบก่อนๆเป็นลำดับมา กำบางชนิดให้ผลในภพนี้ในภพหน้ากำบางชนิดให้ผลในภพสืบกำที่ให้ผลอยู่เป็นเนืองนิดก็คือพระหุรมกำกำชินเคยทามาจนชินเรียกให้ผลอยู่เป็นเนืองนิดทั้งกับสร้างเหตุอยู่เป็นเนืองนิดส่วนพระหรหัสที่พ้นจากกาไปแล้ว นกเว้นเสีะไม่ควรมาเอาเกล่าวตู่ในที่นี่เลย <c oughs> ผู้ใดเห็นทุกข์ก็คล้ายๆกับว่าเห็นอนิจจังผู้ใดเห็นอนิจจังก็คล้ายๆกับผู้เห็นทุกข์ผู้ใดรู้อนิจจังตามเป็นจริงของอนิจจังรู้ทุกขงังตามเป็นจริงของทุกขงัง ก็คือผู้นั้นรูปศีลรูปสมาธิรูปปัญญาด้วยรูปเป็นเครื่องออกด้วยถ้ารูปเป็นเนืองนิดเห็นอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนความเพลินในวัฏสงสารของท่านผู้นั้นก็สลายไปในตัวก็บอลลงในตัวห้ามเบรกไว้ในตัวเพราะความเพลินที่จะลืมตนลืมตัวลืมใจลืมทำา็เพราะเหตุเพลิน ด้วยอามิตรทั้งหลายเผื่ออามิตรทั้งหลายที่เป็นวิญญาณนักทรัพย์ก็ดีสัวิญญาณนักทรัพย์ก็ดีที่ไม่มีวิญญาณทรัพภายนอกก็ตามทรัพภายในก็ตามทรัพย์อยู่ไกลก็ตามทรัพยู่ใกล้ก็ตามที่เราสมมติว่าเป็นทรัพย์สินของโลกหรือของส่วนตัวหรือของประเทศชาติหรือของพระพิสุสงสมณี แต่ละลายละลายก็ตามสิ่งแล้วนี้ก็ผูกขาดอยู่ใต้อํานาจอันนี้จังไปเสียแล้วเกิดขึ้นแล้วมีหน้าที่จะแปรปรวนได้แตกสลายทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจครองทั้งโลกทั้งหลายทั้งโลกอดีตทั้งโลกอนาคตทั้งโลกปัจจุบันเป็นอยู่อย่างนี้แล้ ว, ลวจะเพลินไปไหนหรือจะโศกเศร้าเสียใจไปทางใดก็ตาม สิ่งเหล่านี้ก็มาหาเป็นไปตามพวกเราที่โศกหรือดีใจเสียใจไม่เป็นจริงอยู่อย่างไรก็จริงอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันยตนิเมพิก เ, เวอุปาสโกวอุปาสกาวาสกสุสมมาเนนฉันทั้งหลายจงพิจารณาให้ยิ่งปริญญาตันติเมพิกเทเว เราจะถาคตพิจารณาให้ยิ่งแล้วมหาตับบันติเมท่านทั้ทงหลายจงละความเพลินในวัฏสงสารเสียเถิดท่านทั้ทงหลายเพลินในวัฏสงสารก็คือเพลินใส่ทุกข์อยู่โดยตรงๆนั่นเองนี่ทำมาจากกับวัตนนสูตรคือสูตรที่เป็นทุกข จักสุแปลว่าเห็นดวงตาในส่วนที่เป็นทุกข์แปลว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมในธรรมจกักรพวัตนสูตรก็มีบทบาลีว่ายังกินจิสมุทะธรร ม, มังสัปันตังนิโรธธรรมมันติซิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งนั้นทั้งหมด มีความดับศูนย์เป็นธรรมดาเท่า น, นี้แหละหัวใจของธรรมจักรประวัตินาสูตรโดยใจความข้อพระโพนธั ญ, ญะรู้ชัดในอนิจจังนั่นเองแมว่ขอสิ้นความสงสัยเป็นพระโสดาบันไปในตัวโดวยเร็วเพื่อรัดนิ้วมือเดียว เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะพิจารณาผู้หวงพลไภัยในวัฏสงสารพยาตูปัฏฐานญาณ น, นิยานอันเห็นภัยในวัฏสงสารปฏิสังขานุปัสนายานก็พิจารณาหาทางที่จะออกทางที่จะออกก็มีทางล่มเย็นคือสินสมาธิปัญญา แว่นสองทางก็คือศีลสมาธิปัญญาแว่นดวงใจก็คือศีลสมาธิปัญญาย่นลงมาหาจิตใจที่รู้ตามเป็นจริงอันถูกต้องแว่นดวงใจก็ดีแว่นดวงธรรมก็ดีก็รวมเป็นแว่นดวงเดียวกันคือแว่นจิตแว่นใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาในจปัจจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลเลย ผู้ใดเคารพรักพระพุทธศาสนาก็คือผู้นั้นเคารพรักเพื่อจะออกจากทุกข์ในวัฏสงสารถ้ า, าว่ามีกิจเจตนาเพื่อหวังพ้นภัยในวัฏสงสารแล้วปฏิบัติพระพุทธศาสนาปัญหาก็ไม่มีมากอะไรนะักถ้ า, าว่าปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อลาบเพื่อยศ เพื่อแข่งดีแข่งเด่นเพื่อลือชาปรากฏเพื่อดังดังวนดังเวียนในวัฏสงสารเพื่อเอาแพ้เอาชนะเพื่อหาราพายตอะไรต่ออะไรแล้วเจตนาอันนั้นก็เป็นโลกยิยะเจตนาไม่ใช่โลกุตระปัญหาก็มากยุ่งเหยิง ถ้าทําอะไรได้สมประสงค์ก็ติดอยู่ถ้าทําอะไรไม่สมประสงค์ก็เสียใจไม่มีประตูกแก้เพราะยังปารถนาลามกอยู่ไม่ใช่ปารถนาทำแท้ถ้าหากว่าปารถนาทำแท้ลงมือทําเมื่อใดให้ทานรักษาศีลพาวนาหวังเพื่อคนทุกข์ในวัฏฏสงสารท่านเหล่านั้นศีลเหล่านั้นภาวนาเหล่านั้น ก็กลายเป็นโลพุธตธะเจตนาไปไม่ใช่โลกิยะเจตนาปัญหาทางหลายก็ น, น้อยลงไม่มีมากเพราะปัญหาในโลกมันไม่มีมากโลกภายนอกแต่ปัญหาของกิเลสมันมากที่นี่เมื่อความทะเยอทยานในโลกใดๆพบน้อยพบใหญ่ไม่มีในครูนั่นแล้วตัญหาก็ดับ ลงไปทีละเล็กและน้อยถ้าความดับตัญหาความดับทะเยอทยานได้สิ้นเชิงทุกก็ดับไปหมดทุกทางกายทุกทางทุกทางใจเมื่อทุกทางใจดับไปหมดแล้วความหลงก็ไม่ได้ไประกอบพบ ก, ก่อชาติต่อไปอีกเพราะทําลายเหตุแล้ว ทำลายทั้งผลของเหตุด้วยเหตุที่จะไปทุกข์ในอนาคตก็ดับแล้วผลที่จะดับผลที่จะรับในอนาคตชาดหน้าก็ไม่มีอีกเมื่อไม่เห็นทุกข์ชัดก็ไม่มีหนทางที่จะเบื่อหน่ายทุกข์เพราะสำคัญว่าพอกินพอใช้แล้วแต่ที่แท้ ยังไม่มียานพ้นทุกในวัตฏสงสารถ้ามันมียานพ้นทุกในวัตฏสงสารโดยท่องแท้คือสัมมาวิมุตติผู้ที่มีปัญญาก็าม่ควรนอนใจเพานอนใจในหลุมถ่านเพลิงนอนใจในทะเลหลงทะเลหลงเป็นทะเลที่สําคัญข้ามยาก ถ้าข้ามทะเลหลงโดยสิ้นเชิงแล้วทะเลโลภทะเลโกรธไม่ต้องฟงกการลบก็ได้พูดให้มากก็ามากพระพุทธศาสนานี่เพราะเหตุใดเพราะเทศแต่ละลายของบุคคลเทศไทยคนนั่นอยู่อุบายที่นั้นเทศไทยองค์นี้อยู่อุบายที่นี่เทศไทยโยมคนนั่นอยู่อุบายที่นั้น ระหว่างนั้นทําอันนั้นถ้าแสดงยาวก็เรียกว่าทีขวักถ้าแสดงสั้นก็เรียกว่าชุนลวัตถ้าแสดงหลายวัตหลายตอนมารวมกันก็เรียกว่ามหาวรตเพราะเป็นวัตใหญ่ล็อกตถ้าแสดงขนาดกลางก็เรียกว่ามชิมวัต หรจุนนิเทศหรือวัชิมะนิเทศหรือมหานิเทศนิเทศแปลว่นนานิทานนิทานของจิตของใจนิทานของธรรมะนิทานของความประพฤติทำแต่ระบบระบาดของพระพุทธศาสนาสอนให้ผู้ฟังอย่างถึงพระนิพพานทั้งนั้นแต่อำนาจของผู้ฟังไม่อยู่ในระดับเดียวกัน จึงเป็นเรื่องกระจุยกระจายแต่ละท่านแต่ละคนไปผู้ใดมีกิเลสหนาก็น้อมเข้ามาใส่กิเลสของตนผู้ใดมีกิเลสบางก็น้อมเข้ามาใส่กิเลสของตนผู้ใดมีปัญญายาณทองแท้ก็หลุดพ้นไปเป็นขั้นขั้นธรรมะตันเดียวกันบางท่านถึงพระสวสดาบรล บางท่านถึงพระสะกทาคามีบางท่านถึงพระอนาคามีบางท่านถึงพระอรหันต์บางท่านป่าชนาพระปจจเจกบางท่านป่าชนาสมมาสมพุทธเจ้าก็เพราะมีความหมายต่างกันทำกันเดียวนั่นเองบางท่านก็ลงนรกถ้าเป็นเพราะเพ่งโทษทำเพราะกล่าวตูดทำในใจไม่ลงเสียเลยไม่ถูกกับจริตนิสัยของตน นี่น้ำซ้ำถือว่าพระองค์ด่าตนเองเช่นพระองค์กล่าวว่ารูปจะสวยจะเพียงไหนก็าตามไม่พ้นความเจือเปืยเน่าผู้ที่สวยๆ้าไปฟังเพราสำคัญว่าพระบรมศ า, าสดาด่าตนพูดเสียสีกระทบกระทั่งไปที่ไหนเขาก็นิยมชมชอบว่าเราเป็นคนสวย ทำไมถึงทำไมถึงพบรมศาสดาถึงพูดอย่างนั้นก็ฟุ้งซ่านไปเสียอย่าว่าลงนรกในปัจจุบันปัญหาไม่มีอะไรมากทอดเทความเ็ดหลาบในวัตจ้าสงสารลงเท่านั้น มองดูอะไรอะไรทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่น่าเลื่อมใสเพราะมีแต่สันพระเวนสันพภัยสันพะนี่มีตัวรอสองตัวแต่เขาอ่านเป็นศันพหรือเป็นสันก็ไม่ไม่ทราบเพราะเราก็อ่อนในหนังสืออยู่เหมือนกันบางท่านก็อ่านเป็นสันพะบางท่านก็อ่านเป็นศันพ แต่คำมาลีต้องอ่านเป็นสัรพทุกขาไม่ใช่สนรพทุกขาสัรพทุกทั้งปวงรวมลงมาถึงเอกทุกในปัจจุบันสังขารทั้งปวงทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประณีบทั้งเลวทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งอดีตทั้งอนาคต รวมลงมาในเอกสังขารในปัจจุบันคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ไม่มีประมาณก็จริงย่นลงมาเป็นเอกคุณในปัจจุบันจะเป็นคุณใหญ่หลวงมากกว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินก็าตามย่นลงมาเป็นเอกคุณในปัจจุบันรวมกันอยู่คุณวิดาม น, นาปูญาตาทั่วดคุณท่านภูมิคุณ ไหลขึ้นสู่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหลขึ้นสู่คุณพระนิพพานมาแย่กันไม่เป็นปัญหากันกลมกืนกันที่เป็นปัญหาอยู่ก็เพราะปัญหากิเลสของเราตัางหากข้ามันพิจนารณาให้ทองแท้ ความรุดพ้นจากความหลงของตนก็ไม่มีผู้พิจารณาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในธรรมะของตัวตามสติกำลังก็คือผู้เดินทางออกจากความหลงของตนเองไม่มีกลางวันกลางคืนนั่นเองสังขาราพรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งไม่ใช่เป็นทุกธรรมดา ธรรมดาเกิดธรรมดาแก่ธรรมดาเก็บธรรมดาตายธรรมดาวิโยคพัดภาคธรรมดาปาถนาไม่ได้สมหวังธรรมดาพัดภาคจากทิ่งสิ่งที่เป็นที่รักเป็นธรรมดาอยู่ก็จริงแต่ว่าผลของธรรมดานั้นก็คือผลทุกข์เราดีๆนี่เองเพราะธรรมดาอ่านว่าธรรมดามีหลายธรรมดา ธรรมดาสัตติรชานธรรมดาโลกีธรรมดาโลกุตระธรรมดาโลกุตระมีอยู่สี่ชั้นพระโสดาบันพระสกทาคามีนาคามีพระรหันต์เป็นธรรมดายิ่งย่อนกว่ากันแต่ละอย่างละอยา่างธรรมดาพระสมรมมาสัมพุทธเจ้าหรือธรรมชาติก็อันเดียวกันหรือสังคมนิยมก็อันเดียวกันหรือประชาธิปไตยก็อันเดียวกัน ปชาธิปไตยของพระโสดาบันอยู่ชั้นหนึ่งปรชาธิปไตยของพระสัคคาคามีก็อยู่ชั้นหนึ่งปชาธิปไตยของพระอนาคามีก็อยู่ชั้นหนึ่งอีกประชาธิปไตยของพระพระเจกก็อยู่ชั้นหนึ่งอีกปชาธิปไตยของสาวกพวกใต้เบื้องขวาของพระองค์ก็อยู่ชั้นหนึ่งอีกเพราะเห็นธรรมแยบคายต่างกันปรชาธิปไตยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาประชาธิปไตย เป็นมหาสังคมนิยมแต่ก็สังคมพวกสมมาสัมพุทธด้วยกันนิยมกันธรรมดาของผู้เดินไปทางผิดก็คือธรรมดาประชาธิปไตยของจําพวกคนผ่านแต่เขาก็ส่งเสริมกันเหมือนกันเขาก็มีหัวจักหัวหน้าอย่างเหมือนกัน เพราะจิตใจของเขา เ, เองเป็นหัวจักหัวหน้าไปทามผิดเมื่อปลาลกก็มูก็เพื่อนก็มักจะพูดยาวถ้าปฏิบัติอยู่เฉพาะตนเองแล้วไม่ต้องการยาวเลยกำหนดลมหายใจทอกแล้ว ต้องการเห็นสังขารก็เห็นอยู่ในที่นั้นต้องการเห็นทุกก็ต้องเห็นอยู่ในที่นั้นต้องการเห็นพุทธธรรมสงก็เห็นอยู่ในที่นั้นรู้ชัดอยู่ในที่นั้นต้องการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสังขารทั้งปวงก็อันเดียวกันก็เห็นอยู่ในที่นั้นเอากรรมฐานอันนั้นเป็นแว่นเป็นกระจกเงาเป็นกล้องคิวนาทัพเป็นเข็มทิศชี่บอกอยู่เสมอเสมอเสมอเป็นญาหนัง ก็เป็นยานที่รู้จักชานังแปลว่าเพ่งอยู่ยานางแปลว่ารู้รอบครอบการเพ่งอยู่สมาธะแปลว่าตั้งมั่นอยู่ในที่นั้นวิปัสนาแปลว่ารอบคอบลมเข้าลมออกเรียกว่าวิปัสนายกอุทาหรณ์กรรมฐานอื่นๆก็เหมือนกันยกอุทาหรณ์แต่เพียงอาณาปณะสติตอนนั้นจริงอื่นๆก็ไม่สแสวงกันกรรมฐานแต่ละแต่ละกรรมฐานไม่สแสวงกัน มันแสลงกันก็เพราะเราไปเอากรรมฐานต่อกรรมฐานเป็นสงครามกันเอาความหลงของตนประยุกให้กรรมฐานต่อกรรมฐานเป็นสงครามกันกรรมฐานแต่และอย่างละอย่างไม่เป็นสงครามกันเลยดินน้ำไฟลมก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแต่และอย่างละอย่างไม่แยกไม่ชิงค้ามาดกัน ไม่จิงบรรรังกันไม่จิงเก้าอี้กันความเปล่วยเน่าในสกุลในร่างกายก็ไม่แย่งเก้าอี้กับใครจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนคุณพุทธธรรมสงฆ์เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอันนี้จังทุกขรังอานาตาก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแต่ผูจ้จะปฏิบัติให้รู้ตามเป็นจริงไม่มีกลางวันกลางคืนนั้นจะมีหรือไม่นี่ปัญหาของมัน ถ้ามีก็ต้องตอบตนเองได้ถ้าไม่มีก็ตอบตนเองได้เหมือนกันเพราะทวนกระแสดูตนส่วนคนอื่นไม่เป็นปัญหาริมสลักที่เขาตีแน่นถ้าเราต่อยอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมันก็กระเด็นออกชั้นใดก็ดี ลิมสลักของความเพลินในวัฏสงสารถ้าเราต่อยมันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมันก็ถอยออกวันกันลมเข้าข้างหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายลมออกข้างหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว ทัโลกเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นและแตกสลายเหมือนลมเข้าลมออกนี่เองไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมเข้าลมออกนี่เองกองทุกข์ก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกลมเข้านี่เองสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เอาไปพันิพานด้วยทิจณาเพื่อให้เบื่อหน่ายเพื่อให้คลายเมเา่ะนั้นเพื่อให้ถอนคืนระนั้นศีล ส, สมาธิปัญญา ในพระนิพพานที่เรียกว่าสอุปะทิเสสาริพานดับกิเลสแล้วยังมีเบญจขันอยู่นั้นก็คือมหาศีลมหาสมาธิมหาปัญญาเพราะเป็นโลกุตระศีลอย่างเต็มที่แล้วเพราะเป็นโลกุตระสมาธิตั้งมั่นอย่างเต็มที่แล้วเพราะเป็นโลกุ ต, ะ ต, ตระ ป, ตะปัญญารอครอบอย่างเต็มที่แล้วจกลงศีลสมาธิปัญญาที่สุดท้าย ก็กมกืนเป็นอันเดียวกันหรือจะเรียกว่าอาธิกิเตจายโยโคทํากิดให้ยิ่งก็ตามหรือทํธรรมให้ยิ่งก็ตามหรือทํายานให้ยิ่งก็ตามก็ลงเ อ, อยอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกัน ท, ทาทั้งหลายเป็นไปส่วนเดียว อดีตยกไหวอนาคตยกไหวทำอดีตทำอนาคตย่นลงมารวมในปัจจุบันปัจจุบันเดี๋ยวนี้มีหนังไหมก็ต้องมีปัจจุบันเดี๋ยวนี้มีผุมมีขนมีเล็บมีฝันหรือไม่ก็มีอยู่ทุกกางมีเอน็นมีกระดูกมีเนื้อหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตาปอด ไต่เปราะใชใหญ่ใช่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือไม่ในส่วนธาตุดินเดียวนี่ธาตุดินภายในเรียกว่าอัชฉริยะกระทภีเรียกว่าดินภายในที่นี่ดินภายนอกมีอยู่หรือไม่ในปัจจุบันนี้มีอยู่เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำเรามีอยู่ไหมในปัจจุบันนี้ดีเสเลดน้องเลือดเหงื่อมันพ้นน้าตาไปมันน้าลายน้ำมูกน้ำไข้ข้อน้ำมูด ที่เรียกว่าธาตุน้ำท่าดเหล่านี้มีกลิ่นมีสีเป็นยังไงบ้างธาตุไฟมีในปัจจุบันหรือไม่ไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้ซุดโตงไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อย mm. ก็ต้องตอบว่ามีในปัจจุบันทั้งนั้น หนึ่งสองสามสี่ห้ามีในปัจจุบันไหมก็มีในปัจจุบันปัจจุบันจึงสามารถนับได้ถ้าไม่มีในปัจจุบันปัจจุบันจะนับได้ยังไงยูกท้าหอนทีนี่ลมพัดขึ้นบ้างบนลมพัดลงบ้างตามลมในท่องลมในไส้ลมพัดไปตับจัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ท่าที่ว่าลมลมนะั้นมีหรือไม่ในปัจจุบันนี่ก็มีอยู่นี่ เมื่อเธอลืมพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ไหมก็มีอยู่ตามเดิมไม่ลบเลือนไปทางไหนอือาการดีโก้มีอยู่ทุกการเมื่อมีอยู่ทุกการก็ต้องพิจารณาอยู่ทุกการเพราะมันหลงสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกการก็ต้องพิจารณาอยู่ทุกการสิ่งอื่นก็เหมือนกันอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันก็มีอยู่ทุกการก็ต้องพิจารณาอยู่ทุกการอาการดโก้มีอยู่ทุกการ เมื่อมีอยู่ทุกการก็ต้องพิจารณาอยู่ทุกการเพราะมันหลงสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกการก็ต้องพิจารณาอยู่ทุกการสิ่งอื่นก็เหมือนกัน อ, อนันนี้จางทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันก็มีอยู่ทุกการก็ต้องพิจารณาอยู่ทุกการถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับกิเลสไม่ทันกับความหลงของตนเห็นอันใดชัดแล้วสิ่งนั้นไม่ขบวุคืนเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาอันชัด ถ้าสิ่งนั้นขบุดคืนเรียกว่าเห็นด้วยสัญญาที่เคยจํามาที่เคยหูพอหัดปากแก้วเจ้าขายิ่งข้าวกล้วยแต่ว่าไม่รู้จะกล้วยทียนี่ถ้าเห็นสิ่งใดๆชัดแล้วสิ่งนั้นไม่ขบุดคืนเรียกว่ากินตามยะปัญญาภาวนามายะปัญญาเขาเห็นชัดในการพิสูจน์นึกคิด เขีนชัดในการรอบครอบคือปัญญาสมันตะจกักษุจกักษุคือรอบครอบหรือจะเรียกว่าเจโตมิมุตปัญญามิมุตก็ถูกเพราะหลุดพ้นด้วยการพิจารณาหลุดพ้นด้วยอำนาจของจิตอำนาจของปัญญาหลุดพ้นไม่คืนมาขบฏอีกไม่คืนมาสงสัยอีกเนี่ยกขาทางานแล้วไปเป็นตอน ได้ในโลกล้วนอนิจจังได้ได้ในโลกนนโลก้วนทุกขังได้ไดในโลกล้วนอนัตตาเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ในกองทุกขและอยู่ในกองอนิจจังใครจะยืนยันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลสักเพียงใดก็ตามก็เป็นเพียงสมมุติที่ใช่การชั่วคราวในโลกเท่านั้นหาเป็นจริงดังที่สมมุติไม่เพราะเป็นคำตื้นเป็นการเป็นคำที่สมมุติกันในโลกเพื่อให้รู้จัก ผมคารับคู่มึงคุณหนูคุณหน้าคุณป้าคุณอาก็จริงตามสมมุติแต่ทางปรมาจักรนั่นก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือมีแต่สังขารเท่านั้นใครเป็นผู้เทศใครเป็นผู้ฟังอยู่เดียวนี้ก็คือสังขารผู้ฟังก็คือสังขารกิตตสังขารผู้เทศก็เอากิตตสังขารเทศผู้ฟังก็เอากิตตสังขารฟัง ฟังเทศกับฟังใจก็มีความหมายอันเดียวกันกับพิจารณาใจปฏิบัติพระพุทธศาสนากับปฏิบัติใจก็มีความหมายอันเดียวกันเลื่อมใสในพระพุทธศาสนากับเลื่อมใสจิตใจที่ทำถูกก็มีความหมายอันเดียวกันรุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงกับรุดพ้นจากความชั่วทั้งปวงในด้านจิตใจก็มีความหมายอันเดียวกัน เราดึงสังขารมาให้อยู่ในเอกะสังขารในปัจจุบันเราดึงทุกมาให้อยู่กับเอกะทุกในปัจจุบันนักมวยที่มีกำลังมากเขาตะแคงข้างขวาเข้า แกงข้งางซ้ายเข้าภูเขาแรงทางขวาเขาเต้นขยับขยับขยับขยับเข้าไปเลยเขามีท่ามีทางเขาก็กอดพับเลยไว้ติงไปมาไม่ได้เพราะกำลังน้อยชั้ น, นก็ดีเมื่อปัญญาแก่กล้าแล้วย่นสิ่งต่างๆลงมามาในปัจจุบันก็กอดกรรมฐานทั้งปวงไว้ในปัจจบุาาจจบันหมดนี่ ก็สิ้นความสงสัยเท่านั้นเราพิจารณาอะไรอะไรแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่เราพิจารณาอยู่ในอดีตอนาคตมันก็ยิ่งสงสัยตะพื้นตะผือเราพิจารณาอะไรอะไรแล้วเข้าใจว่าต้องมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นเราก็ไม่สงสัยทีนี้ถ้าเราถือว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ในอดีตอนาคตก็เรียกว่าเราพิจารณาออกนอกงมปลานอกแห่ ง ม, มปานอกแห็งนอกอวนทอดแห็งไว้แหงหนึ่งก็ไปงมแหงหนึ่งดักอวนไว้แหงหนึ่งก็ไปงมแหงหนึ่งถึงแม่จะพบก็จับไม่ได้ปลาเพราะมันไม่มีที่คาธรรมกาวังพระโวโหวตุผู้ใข้ครวนทาเป็นผู้เจริญ ผู้ไม่นอนใจในวัฏฏะรงสารเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่คุ้นเชื่อกับใครๆเลยในวัฏฏะรงสารอันนี้เป็นผู้ไม่ลืมตัวไม่ลืมตน ไ, ไม่ลืมใจไม่ลืมทำด้วยเป็นผู้ไม่หลงด้วยไม่มีใครจะมาโกหกพลลมได้เพราะอำนาจของธรรมะ อำนาจของความเป็นจริงอำนาจของญาณและจิตใจอันทองแท้ที่พิจารณาพราะปฏิบัติพรมจันท ร, ร์ไม่หวังเพื่อราภเพื่ออามิตถ้าหวังเพื่อราบเพื่ออามิตแล้วจะยืนขาเดียวอ้าปากกินลมเหมือนชมพูกะทั้งวันทั้งคืนก็ตามก็ไม่สามารถจะลดพ้นจากความหลงคลงตนไปได้ เป็นเรื่องโกหกพกลมตนเองแต่เจตนาเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นนั้นเป็นหน้าที่ของแต่ละน้าลายจะตรวจดูตนจะรับรองกันก็ไม่ได้จะสาลายป้ายสีกันก็ไม่ได้จะให้คะแนนกันทีเดียวก็ไม่ได้เพราะกระทํามเป็นสันติโกผู้ปฏิบัติผู้บรรลุก็ต้องเห็นเองเป็นเอหิปัติโกร้องเรียกตนให้มาดูได้ไม่ต้องเรียกคนอื่น เรียกคนอื่นถ้าคนตาบอดจะเรียกมาดูมันก็ดูมาเห็นเรียกคนตาหมอบอดมาสนเข็มผู้เรียกก็เป็นบ้าผู้จะมาสนก็เป็นบ้าเหมือนกันเรียกได้ก็เรียกคนตาดีเท่านั้นมาสนเข็มถ้าพุทธศาสนาไม่ใช่ของตื้นตื้นเป็นของลึกซึ้งแท้ ศา ส, สนาใดๆจะมากล่าวตู่จะเอาคำสอนของพระพุทธศาสนาไปเป็นของตนก็าตามก็เท่ากับกากับนกยุงนั่นเองเห็นขนหงอนขนหางนกยุงที่ล่วงหล่นอยู่ตามป่าแล้วก็เก็บมาแทรกแซงขนของตนใครก็เคยได้ยินนิทานอีศพนิทานอีสปากกว่า ศาสนาใดๆในโลกไม่ต้องอดดีก็าตามไม่ต้องประชันขั้นแข่งกับศาสนาพุทธก็าตามศาสนาใดๆในโลกประชันขั้นแข่งกับศาสนาพุทธก็เท่ากับว่ากองทัพน้าลายบ้วนขึ้นฟ้าจะบ้วนขึ้นหมดใจโลกธาตุเนี่ยก็ตกลงใส่หน้าทั่วทั้งใจโลกธาตุเหมือนกันศาสนาพุทธไม่ได้หวาดหรือเสียวกลัวแพร่กลัวชนะศาสนาอื่นหรอก ถึงจะมีผู้นับถือน้อยก็าตามเท่าเขาโคแต่ถือศาสนาอื่นๆเท่าขนโคศาสนาพุทธก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่ศาสนารับยากศาสนาปล่อยให้เป็นเองตามอิสระเสียดี ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดประพฤติธรรมผู้นั้นประพฤติเราผู้ใดเคารพธรรมผู้นั้นเคารพเราพระบรมศาสดาบอกก็บไปกลับมาเพื่อให้ชัดคนผู้สร้างมารมีต่ำต้อยจะเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยเพราะกรรมนิยมเพราะกรรมบันดาล บรรดาลให้ประมาทบ้างบรรดาลให้กล่าตู่สารพัดเพราะกรรมยังฝังอยู่ในคันทะสันดานมากบรรดาลให้ประมาทเพราะกรรมของตนพาประมาทบรรดาลให้คาดบรรดาลไม่ให้คะแนน ในยุคใดๆก็ตามก็มีศาสนาอื่นมาประชันคันแข่งกับพระพุทธศาสนาอยู่ทุกยุคทสมัยอ้ยที่แท้ก็กมปั้นของตนถูกหน้าผากตนเองไปทุกๆศาสนานึ่น้ำลายของตนก็ถูกหน้าของตนคว้างปลาก้อใส่ตนเสาข้อก็กระเด็นมาถูกหน้าตนอยู่อย่างนั้นแต่เขาไม่รู้ตัวเพราะกรรมบันดาลปิด จะโคศโกสักเพียงไหนก็าตามพระพุทธศาสนาไม่ได้เหลือร้อนหรอกจะโฆษณาสักเพียงไหนก็าตามจะพิมพ์หนังสือแจ่เต็มใจโลกธาตนี่ก็าตามความจริงไม่ไม่หนีจากความจริงหรอก พระพุทธศาสนาอาศัยเหตุผลสองประการเหตุผลในโลกีเหตุผลในโลกุตละเหตุผลในโลกีเบื้องต้นก็บอกให้ทํามาหาเกิงชีวิตในทางที่ชอบเหตุผลในโลกุตละก็บอกให้มีศีลห้าประจำสาหรับฆร า, าวาสอย่าให้ด่างให้พร้อยการคลองชีพ ก็ขอให้มันให้ขยันอุทัสตาวินทะเตทนางผู้มันย่อมหาทรัพย์ได้ทั้งภายในและภายนอกมีสิ้นห้าประจำ้วยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่สงสัยในอบายมุขทางปวงด้วยไม่เสพอบายมุขทางปวงด้วย ไม่ค่าขายเครื่องประหารด้วยไม่ค่าขายสัตว์เป็นอะไเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเปิดเป็นอาหารด้วยไม่ค่าขายน้าเมาไม่ค่าขายยาพิษนี่เป็นพรมยัญเบื้องต้นของพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนาชวนเชื่อ ไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนาบังคับให้มีอิสระเองให้มีความเลื่มใสเองเป็นเพียงเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ใช่เป็นศาสนาที่มีสินจ้างรางวัลอะไรพราะปาฏิหารมีอยู่แล้วเมื่อหลับตาความมืดก็เป็นรางวัลอยู่แล้วเมื่อลืมตาความเห็นก็เป็นรางวัลอยู่ในตัวนล้น ใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วมันเป็นรางวัลอยู่ในตัวแล้วมันเป็นบำเน็จบำนานอยู่ในตัวแล้วถูกพ้นจากกิเลสก็เข้าสู่อนุปาทิเสสานิพานเมื่อสิ้นลมปราณก็เป็นรางวัลอยู่ในตัวแล้ว ผู้ที่ไปทางผิดก็ผลไปทางผิดก็เป็นรางวันอยู่แล้วทําผิดในคลุโทษก็ลงมหาวิทีนรกเป็นรางวันอยู่แล้วทําผิดมัธยมโทษก็มีรางวันอยู่เป็นขั้นลงมาอีกเหมือนกัน ทำผิดในแล้วหูโทษความผิดก็ส่งอํา น, นวยให้รับอยู่ในคณะเดียวแล้วอันเดียวกันกายทิพย์ใจก็เป็นทิพย์เหมือนกันถ้าบาปก็บุญเป็นของทิพย์แต่ผลของบุญ ให้ความสุขแต่ผลของบาปให้ให้ทุกมันเป็นทิพย์อยู่ทั้งสองฝ่ายเราไปจับไฟเวลาไหนมันก็ร้อนเวลานั้นมันเป็นของทิพย์อยู่ในตัวแล้วถ้าเราเว้นเวลาไหนมันก็ไม่ร้อนในเฉพาะไฟไฟเป็นของทิพย์อยู่ในตัวซึ่งของให้ผลไม่มีการไม่มีเวลาเหมือนกันเดี๋ยวนี้พวกเรานั่งอยู่ไม่ได้ไปจับฐานไฟการร้อนก็ไม่มีในส่วนไฟไฟ ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่บางท่านอยากเห็นปาฏิหาริย์เออยังไม่เห็นปาฏิหาริย์เสียเลยอิทธิปาฏิหาริยะรีบเป็นอัศจรอาเทสนาปาฏิหาริย์ดักใจเป็นอัศจรย์ ดักใจทายใจเป็นอัศจรรย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์คาสอนเป็นอัศจรรย์คำสอนเป็นอัศจรรย์ น, นั้นเป็นปาฏิหาร์ตายตัวอยู่ทุกยุทุกสมัยแล้วตรงกับคําที่ว่าทํานีได้ดีทําชัวช่วได้ชั่วก็คือคําสอนเป็นปาฏิหารนั่นเอง ผู้ใดเว้นจากโทษตอนไห น, ไหนโทษตอนนั้นๆก็ต้องเว้นไปไม่มารังควรก็คือปาฏิหาริย์อยู่ในตัวแล้วอนุสาสนีปาฏิหา ร, ริย์เป็นปาฏิหาริย์อยู่ทุกเวลาคําสอนเป็นอธิการก็คือเหตุดีผลดีนั้นเป็นปาฏิหาริย์อยู่แล้วผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็มีความหมายอันเดียวกัน ผิดกันแต่ว่าไปทางนี้หรือทางชั่วเท่านั้นตามส่วนที่ทำน้อยและมากพูดไปไหนมันก็ไม่ไปก็มาหาผู้พูดและผู้ฟังเท่านั้นถ้าผู้พูดผู้ฟังปฏิบัติ ด, ดีก็ต้องได้รับผลดีถ้าผู้พูดผู้ฟังปฏิบัติไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดี เพราะความดีความชั่วเกิดขึ้นอุปโนิโอโคโมีเกิดขึ้นจากตนแต่ละท่านละท่านทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์มีอยู่แล้วเพราะเหตุใดเพราะมนุษย์สัติลาภูไม่ใช่มนุษย์บ้าใบาเสียจริตผิด ธ, ธรรมดามีบริบูรณ์หมดหูก็ไม่หนวกตาก็ไม่บอดอวัยวะอันใดก็ครบหมดเรียกว่ามนุษย์สมบัติ บางอะไรก็เข้าใจชัดตามสติกำลังสวรรคสมบัติก็ได้แล้วกินอร่อยนอนหลับเรียกว่าสวรรคสมบัติแต่ไม่แน่นอนอยู่ใต้อำนาจอนิจังเมื่อได้สวรรคสมบัติบริบูรณ์ก็นิพานสมบัตรบริ ก, ตก็พอจะได้ไปด้วยนิพานแปลว่าดับแปลว่าเย็น นิพพุโตนิพพุตานิพพตังข้าวตังอันเย็นดีแล้วเย็นจากโลกเย็นจากโกรธเย็นจากหลงเพราะเหตุใดจึงเยน็นเพราะพิจารณาทองแท้อํานาจของพิจารณาตามเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้ว ย, ตต เ, วยเห็นตามเป็นจริงด้วยลุดพ้นตามเป็นจริงด้วย แสงพระอาทิตย์ส่องมาแสงตะเกียงส่องมาแสงไฟส่องมาท่านเป็นไฟส่องมาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้มืดข้าพเจ้าจะลาท่านไปละความมืดขอามาใลาแสงไฟและแสงพระอาทิตย์เลยฉันใดก็ดีเมื่อปัญญาเหนือความโง่ของตอนไปแล้วความโง่ของตอนก็หายไปไม่ได้สั่งลาท่านผู้พระปัญญามาแล้วข้าพเจ้าเป็นงู ถ้าพรเจ้าจะลาท่านไปแล้วความง่เหล่านั้นก็ไม่ได้ละก็ไม่ได้ลาเดียวกว่าหนึ่งรัดนิ้วมือเดียวไม่รู้ว่าหายไปตั้งอยู่ที่ไหนเพียงพิจารณาอนิจจังอันเดียวหรือเพียงพิจารณาความตายอันเดียวก็สิ้นความสงสัยในโลกทั้งปวงอีกด้วยไม่จําเป็นจะได้เหาะเหินเดินอากาศไปดู เห็นความตายขณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความตายถ้าหากว่ายังสงสัยอยู่ก็เรียกว่าไม่เห็นเห็นความแก่เป็นทุกข์ขณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบแล้วทั้งอดีตทั้งอนาคตที่ล่วงมาและที่ยังไม่มาถึงก็ไม่สงสัยเสียแล้วเห็นทุกข์ เห็นชาติทุกในปัจจุบันชัดชาติทุกในอดีตชาติทุกในอนาคตก็ไม่ต้องจำเป็นจะไปงมสงสัยอีกถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ชัดเห็นอนิจจังชัดในปัจจุบันอนิจจังในอดีตในอนาคตก็ไม่ต้องสงสยัยนี่เห็นศีลสมาธปิปัญญาชัดในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ในกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่ง ในปัจจุบันก็ไม่ต้องสงสัยศีลอดีตศีลอนาคตสมาธิอดีตสมาธิอนาคตปัญญาอดีตปัญญาอนาคตถ้าไม่เชื่อธรรมะในปัจจุบันการปฏิบัติก็สู่มเดาจะถึงพระโสดาบันจะถึงพระสกทาคามีจะถึงพระอนาคามีจะถึงพระอรหันต์ก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบัน ไม่ใช่คิดอดีตไม่ใช่ทําอดีตไม่ใช่คิดอนาคตไม่ใช่ทําอนาคตเพราะอนาคตยังไม่มาถึงอดีตล่วงไปแล้วมีแต่บัญชีอนาคตก็มีแต่บัญชีมีแต่ความหวังปัจจุบันนัะโยธรรมังผู้ใดเห็นทําในปัจจุบันผู้นั้นแหละไม่ ง, นงนอนแง่นคอนแคลนในพระพุทธศาสนาจงตั้งหน้าปฏิบัติในปัจจุบันปัจจุบันนะทำไปเถิด สิ่งที่ไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดกขึ้นแล้วก็จะเริญ ม, มาขึ้นเหตุ น, นั่นควรทําให้มีในคันธะสันดานยกอุทาหอนนักมวยก็ดีเราเดินไปก็ดีเราก็ระวังเก้าปัจจุบันนั่นเองเก้าอนาคตยังไม่นในเก้าวเราจะไประวังอะไรเก้อาอดีตก็ยังก็ล่วงไปแล้วนี่นักมวยก็เหมือนกันเขาก็ระวัง มวยเขาก็ระวังหมัดในปัจจุบันนั่นเองมัดอดีตเขาก็ชกมาแล้วมัดอนาคตเขาก็ยังไม่ได้ทันชกเขาก็ระวังหมัดในปัจจุบันนั่นเองฉันใดก็ดีอดีตที่ล่วงไปแล้วถ้าเป็นบาปก็เป็นบาปไปแล้วถ้าเป็นบุญก็เป็นบุญไปแล้วอนาคตถ้าเป็นบาปก็ยังไม่ได้สร้างถ้าเป็นบุญก็ยังไม่ได้สร้าง เพราะยังไม่มาถึงถึงอยู่ซึ่งหน้าก็คือปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันเรื่อยไปไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นอดีตอนาคตที่ว่าปัจจุบันกลายเป็นอดีตแล้วเรียนว่าเป็นอนาคตนั่นหมายความว่าสังขารถ้ายากับน้ำไหน ในฝ่ายสังขารน่ากำลังไรอยู่พอเราบัญญัติว่านี่แหละปัจจุบันมันก็กลายเป็นอดีตเหมือนนาฬิกาที่เดินอยู่นั่นพอเราบัญญัติว่านี่แหละเป็นวินาทีปัจจุบันพูดยังไม่สุดความมันก็เป็นอดีตไปแล้วเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกสลายนี่เรียกฝ่ายสังขารทายฝ่ายธรรมที่ไม่ตายนั่นเมื่อเด็ก เสื่อไม่ได้คายไปที่ไหนมีอยู่จริงอยู่ไม่มีกำมันกลางคืนไม่มีใครเป็นเจ้าไม่มีใครเป็นจอมไม่ได้ติดอยู่ใต้ใต้อำนาจของใครไม่มีใครจะไปจองไว้ได้ว่าเป็นของผู้นั้นผู้นี้เหตุฉะนั้นจึงว่าสัพเพ ธ, ธมานาตาติหมายถึงพระนิพพานด้วยหมายถึงสังขารด้วยควบกันอยู่ไม่เหมือนทุกขังกับอนิจจังทุกครังอักับอนิจจังหมายแต่ฝ่ายสังขาร ส่วนอนัตตาทำไม้ทั้งสังขารทั้งวิสังขารรวมกันอยู่นั่นด้วยจึงเปล่งอุทานหรือกราบไหวเส้นสวงว่าสเพธรรมาอนัตตาติหมายถึงพาิใพานด้วยําฝ่ายอดีต ธาตฝไฟล์อดีตอินทรีย์ไฟล์อดีตขันทวิบากฝ์ไฟล์อดีตนานาธาตุญาณ์ไฟล์อดีตนานาธาตุไฟล์อดีตก็สงคืนให้อดีตทำไฟล์ปัจจุบัน ก็ให้รู้ตามเป็นจริงด้วยให้ส่งคืนในปัจจุบันด้วยทำฝ่ายอนาคตก็ให้เป็นจริงตามฝ่ายอนาคตได้ส่งคืนให้อนาคตด้วยทำชั้นสูงสมหายใจเข้าเป็นใจสักว่าลมส่งคืนให้ลมไม่ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของ จะเห็นดีเห็นดีเศษสักเพียงใดก็ตามทรงคืนไม่ไปยิดเอาเป็นเจ้าของทําเป็นเต่ศักว่าทําจิตเป็นเต่ศักว่าจิตผู้รู้เป็นเต่ศักว่าผู้รู้ถึงจะเป็นอันเดียวกันก็ตามถึงจะเป็นคนละอย่างก็ตามสัมปติสติสัมปัญญะจะมีมากก็ไม่เป็นปัญหา แต่ก็ส่งคืนเหมือนกันจะยึดว่าสติเป็นเราเราเป็นสติจะยึดสัมปชัญญะว่าเป็นเราเราเป็นสัมปชัญญะจริงจังอย่างนั้นมันก็ไปผิดทมตอนละเอียดอีกส่วนตอนหยาบตอนชั้นกลางไม่ผิดเหตุฉะนั้นพระบรมศาสตร์สลาจึงยืนยันว่าเราพี่เจรณาสังขารตามเป็นจริงของสังขาร แล้วเราไม่ติดอยู่ในสังขารเลยเราพิจารณาพระนิพพานตามเป็นจริงของพระนิพพานแต่เราก็ไม่ติดอยู่ในพระนิพพานเลยเราพิจารณาสมมุติตามเป็นจริงของสมมุติแต่เราไม่ติดอยู่ในสมมุติเราพิจารณาวิมุตต์ตามเป็นจริงของวิมุตต์แต่เราไม่ติดอยู่ในวิมุตต์ถ้าเราติดอยู่ในสมมุติก็เรียกว่าเราไม่รู้สมมุติถ้าเราติดอยู่ในวิมุตต์ก็เรียกว่าเราไม่รู้วิมุตต์ ถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็เรียกว่าเราไม่รู้สังขารถ้าเราจิตติดอยู่ในพระนิพพานก็เรียกว่าเราไม่รู้พระนิพพานก็มีความหมายอันเดียวกันเหตุฉะนั้นวิญญาณปฏิสนธิตถาคตจึงมาไปตั้งอยู่ในที่ใดใครจะกล่าวตั่ว่าตถาคตไปตั้งอยู่ในที่นั้นที่นี้เป็นอันผิดทั้งนั้น เช่นจัตสรูแล้วเราบัญญัติว่าสวยมุติสุขอยู่อาชบาแลนิโคดเจ็ดวันหรือราชาอัตนะก็ดีเราก็สมมุติพอได้รู้ความหมายกันแท้จริงแล้วพระบรมศาสัตย์สําคัญตัวว่าอยู่ที่ไหนไม่ทราบได้ในเวลาที่ท่านอยู่นั่นท่านสำคัญตัวท่านอยู่ในที่ไหนเราก็รู้ไม่ได้ เป็นจะเพียงสมมุติกันว่าท่านสวยมุตติสุขอยู่ที่นั้นเจ็ดวันอัจฉบาลนิโคดบากราชายัตนะบากแห่งละเจ็ดละเจ็ดละเจ็ดเป็นสี่สิบเก้าวันท่านสวยมุตติสุขสุขพ้นจากกิเล ส, าเลสอาสวะ เรบัญญัติกันแต่ความเป็นจริงนั้นท่านสำคัญว่าท่านเสวยอะไรไม่ทราบถ้าไม่บัญญัติก็ไม่รู้จักความหมายที่นี่พืที่อยู่ข้างหลังก็บัญญัติกันปัจจุบันใครเป็นเจ้าของปัจจุบันใครเป็นเจ้าของอดีตใครเป็นเจ้าของอนาคตสิ่งที่เป็นศูนย์ๆใครเป็นเจ้าของ สิ่งที่ไม่ศูนย์ใครเป็นเจ้าของก็มีความหมายอันเดียวกันศูนย์ศูนย์นั้นอยู่ในเงื้อมมือของท่านผู้ใดท่านผู้ใดเอาไปซื้อไปขายที่ไหนไปขายให้ใครใครเป็นผู้จะมาซื้อศูนย์ศูนย์ใครจะเป็นผู้มาซื้ออันไม่ศูนย์ศูนย์ตีราคาเท่าไรอันศูนย์ศูนย์แล้วไม่ศูนย์ศูนย์น่เป็นของของใคร สัพเพธรรมะอนัตตาติสําคัญตนอยู่ในที่ศูนศูนย์ก็ไม่ถูกสําคัญตนอยู่ในที่ไม่ศูนศูนย์ก็ไม่ถูกเหมือนกันอุปทานีอุปทาอุปทาปทานีนเจตสาสิ็นภัยในการยึดการถือแล้วก็วางเวนวางภัยในการยึดการถือทำทั้งหลายก็กลายเป็นของว่างถ้าไม่มีใครยึดถือเอาเป็นเจ้าของ จิตก็เป็นแต่สัก์ว่าจิตผู้รู้ก็เป็นแต่สักว่าผู้รู้ปัจจุบันก็สง่งคืนให้ปัจจุบันอดีตก็ส่งคืนให้อดีตอนาคตก็สง่งคืนให้อนาคตธรรมชำสูงที่สุดอันนี้สมาธิก็สง่งคืนให้สมาธิเร า, เาไม่เข้าไปสอดแทรกว่าเราเป็นสมาธิสมาธิเป็นเราเราเป็นอดีตอดีตเป็นเราเราเป็นอนาคตอน า, าคตเป็นเรา เราเป็นปัจจุบันปัจจุบันเป็นเราที่ให้อาศัยหลักปัจจุบันเป็นศีลสมาธิปัญญาก็หมายความว่าปัจจุบันเป็นเรือเป็นแพที่ให้อาศัยหลักปัจจุบันเป็นศีลสมาธิปัญญาก็หมายความว่าปัจจุบันเป็นเรือเป็นแพถ้าหากว่าพระละหันจะยึดมั่นถือมั่นอยู่ในปัจจุบันเป็นเนืองนิดอย่างนี้ พระรหันต์ก็ต้องเป็นเปรก็ต้องเป็นคนคนขุมรับโทษเพราะเก่งปัจจุบันจะหายไปก็ต้องรักษาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแต่ปัจจุบันนธรรมเป็นหนทางเดินเพื่อข้ามพ้นทุกในวัาสงสารเฉยๆไม่ใช่จะเอาปัจจุบันไปพระนิพพานด้วยทิ่ไงไว้ในโลกนี่แหละเป็นเอา เอาเป็นข้อวัดปฏิบัติต่างหากจิตเมื่อเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานแล้วไม่ได้เรียกว่าจิตเสียเรียกว่าอมตะนิพยังขตาเพราะไม่สมฐานะจะมาเรียกจิตอีกพอสูงไปกว่าจิตแล้วก็เรียกว่าธรรมนไม่ตายเท่านั้นฉันใดก็ดีพวกเราที่โตแล้วจะเรียกฐานะพวกเราว่าเด็กชายนั้นเด็กชายนี้มันก็ไม่ถูก พอผ่านไปแล้วไม่สมฐานันดรศักด์ไม่สมฐานะถ้าหากว่า เราต้องการพ้นทุกข์ในปัจจุบันิธชาติก็ให้ทราบเถิดว่าบารมีของเรานั้นสร้างแก่กล้ามาแล้วเป็นเครื่องทดสอบได้เหมือนกันถ้าหากว่าเราทําไปพอเป็นนิสัยก็ให้ทราบเถิดว่าบารมีของเรายังอ่อนอยู่มันเป็นเครื่องทดสอบเหมือนกัน ถ้าว่าเราประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออามิต h ก็อยทราบเถิดว่าบารมีของเรายัางอ่อนอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครจะมาเป็นพยานให้เราได้เพราะพยานเจตนาไม่มีในทางพระวินัยของพระไม่มีทางกฎหมายของบันเมืองอีกเหมือนกันเว้นไว้แต่พระหันผู้สำเร็จเจโตปริญา ญ, ญาณ จักดับจิตใจได้เจตนาของผู้อื่นเท่านั้นเหลือนอกนั้นไม่มีใครเป็นพยานได้พยานเจตนาจึงไม่มีในพระวินยัยจึงไม่มีในกฎหมายแต่อาศัยอาการที่ทำเอาถ้าทำโลดโผเจนเกินไปก็เรียกว่ามีเจตนา อยู่บ้านเขาดีๆแล้วตั้งหน้าแกล้งไปยิงเขาให้ตายอย่างนี้ก็อาศัยอาศัยการโลภผลว่ามีจิตนาแต่ถ้าผู้นั้นกล่าวว่าก็ผมนึกว่าจะทำให้เพียงเป็นเดชขาดเท่านั้นทำให้เป็นทำให้เป็นเพียงให้เคหลาบเท่านั้นไม่หวังจะให้ตายแต่เป็นผมยิงจริง แต่มื่นานไปถูกถูกตายเนีนยถ้าเขาโกหกพกลมอย่างนี้จะประทัดถิ่นว่าเขามีเกตนาก็ตัดถินไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะมันไ ม, ม, ม, ม่มีพยานแต่เขาก็ต้องถูกจําคุกเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่า ง, ทงเทศเดี๋ยวไม่มีกางวันกลางคืนเชื่แล้วรลมหายใจเข้าออกก็เทศเดี๋ยวไม่มีกางวันกลางคืน ชีพจรก็เทศอย่ไม่มีกลางวลนกลางคืนคณะกิจก็เทศอย่ไม่มีกลางวันกลางคืน เ, เดี๋ ย, น, น, ยนึกนั้นเดี๋ยนึกนี้ถึงจะนึกอยู่อย่างเดียวก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นหรือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่อย่างนั้นผู้พิจารณาสังขารผู้พิจารณาอนัตตาก็พิจารณาพ่อองค์กลมให้ใจเข้าออก เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นรู้อะไรรู้ลมรู้อะไรรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้อะไรรู้อันไม่เกิดไม่ดับถ้าไปยธ์ผู้รู้ก็เป็นชาติอันละเอียดเป็นภพอันละเอียดอีกเหมือนกันรู้ก็เป็นแต่สักว่ารู้ผู้เห็นก็เป็นแต่สักว่าเห็นผู้เห็นกับผู้รู้ก็เลยเป็นอันเดียวกันผู้รู้ก็คือผู้เห็นผู้เห็นก็คือผู้รู้ จิตก็คือผู้รู้สติก็คือผู้รู้สัมปชัญญะก็คือผู้รู้ก็อันเดียวกันจะแยกกันไปไหนก็ไม่ได้หนังกับเนื้อเอ็นกับกระดูกก็อาศัยซึ่งกันและกันอยู่อย่างนั้นมรรคแปบดบที่จะดำเนินเข้าสู่พระนิพพาน เป็นโล ก, กุตระมัคเมื่อมีความเห็นชอบตอนไหนๆที่เรียกว่าสมาธิสมาสังกปวายาก ร, รมมตโตอาชีวสติสมาธิก็เป็นไปแถวเดียวกันในอันเดียวกันเป็นเชือกแปดเกียวรวมกันไปเป็นกองทัพธรรมศีล ส, สมาธิ ป, ปัญญา มรแปดของปสุวดาบันมรแปดของะสกทาคามีมรแปดของพระอนาคามีมรแปดของพระรหันเป็นมรแปดที่จบบริบูรณ์แล้วมรแปดพุทุชนคนหนาเป็นมรแปดตามสัญญาคำพูดขังจำไม่แน่นอน มักแปดก็พูดชงเกตก็มีความหมายอันเดียวกันมักแปดก็ย่นลงมาเป็นสามคือศินสมาธิปัญญาย่นลงมาเป็นสองก็คือกายกับใจย่นลงมาเป็นหนึ่งก็คือใจใจ ท, ที่เต็มไปด้วยสมาทิฏิใจที่เต็มไปด้วยสมมารกรรมมัน สัมมาสัณฑกปะดํมลิชอบดํมลิจะออกจากตามดํมลิในยอันไม่พยาบาทดํมลิเนี่ยอันไม่เบียดเบียนก็คือใจเป็นผู้ ด, ดํมลิอยนี้สัมมาทิฏฐิก็แปลว่าใจเป็นผู้เห็นเห็นชอบสัมมาวาจาเพราะใจเป็นผู้บอกให้วาจาพูดพูดไปในทางดี พูดไปในทางศีลสมาธิปัญญาพูดเป็นภาสิตาเป็นสุภาศิตาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังและผู้พูดเรียกพเรียกว่าสัมมาวาจาก็าใจเป็นหัวหน้าผู้บอกพูดสัมมารกรรมมันโตการงานชอบคือเว้นจากกายยทุจริตสามไม่ค่าศับไม่รักทรัพไม่ประพฤติปิดในกามเรียกว่าสัมมารกรรมมันโต สมอาชีวเลี่ยงชีวิตชอบเว้นจากเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิดเึขเลขพระผาบัดบัดเบอร์เบอร์กระตุดคาถาพิษสมรหุงปอดวิชาเสนวิชาเวทบนกลนคาถาที่เป็นเยศาสตร์เรียก ว, าว่ามิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยทางนั้น ตลอดถึงเรียกๆพระผาบัดบัดเบือแต่ส่วนน้ำม น, น้ำพรพระบรมศาสดาทรงอนุญาตฝุดๆและภิกษุเป็นหมอยาทรงอนุญาตแบบฝุดๆจงทำให้เขาเิอแต่อย่าหวังขวัญข้าวค่ายาของเขาเน้อถ้าหวังแล้วก็เรียกว่ามิจฉาอาชีวะ เขาจะให้อะไรก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะไม่ให้ก็ต้องไม่ไม่ต้องเป็นห่วงจงทําให้เขาเถิดสําหรับน้ำมนตกับสําหรับภิกษุเป็นโมยาถ้ารักษาหายจะเอาเท่านั้นจะเอาเท่านี้จะเอาน้ำมนขวดเท่านั้นขวดเท่านี้เป็นอันผิดเท่านั้นเรียกว่ามิจฉาอาชีวะส่วนเรื่องเลกพระผ า, าบัดเ บ, บ, บอร์เบอ ร, บอร์ห้ามอยา่ยาหย่าไม่ไมอยา่ยาหย่าไม่ไม หยุดดุ ด, ด, ด, ดไม่ถูกเชื่อเลยพิษล้วนลวนไม่มีสารอุทธรในทางพระพุทธศาสนาไม่มีสารอุทธรผ่อนปลนเลยหน้าม น, นี่ผ่อนปลนแต่อาศัยเจตนาจงรู้จักเจตนาตนให้ดีอย่าหวังผลข้าวข้าายาผู้เป็นหมอก็เหมือนกันเป็นหมอรักษาโรค หรือพิษสัตว์กัดต่อยเป็นหมอเช่นเป็นหมองูเป็นต้นเอาว่านเอายามาทาอย่าหวังลาบหวังยศกับเขาเขาให้ก็เป็นเรื่องเขาเขาไม่ให้ก็แตอย่าไปตั้งการตั้งราคาไว้เหมือนตลาดท่านพูดอย่างนั้นมสมบลมัสสเดาทรงอำนวยฝึกผิด สมาสติระลึกชอบคือ ล, ลึกในสติปัฏฐานทั้งสี่แล้วตั้งฐานไว้ในสกลลกายลมเข้าลมออกก็เรียกว่าสติปัฏฐานสี่เหมือนกันก็มันฐานใดๆในใจโลกธาตุลงมารวมในลมหายใจเข้าออกทั้งนั้นเช่นสติปัฏฐานสี่กายานุปัสนาเวสนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาที่จริญกายปินอารมว่า กายนี้ก็ศักวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกายานุปัสนาพิจารนาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็ศักวเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทิจารนาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็ศักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่า ธรรมนี้ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขายกธรรมารุปสนายกอุทหอเมื่อพิจารลมเข้าลมออกก็คือกายสังขารโยกายารุปสนาแล้วทีนี้เวลาลมเข้าลมออกอยู่นั้นสวยเวทนาสุขทุกข์กหรืออุเบกขาก็าตรวจดูถ้าเห็นชัดแล้วก็เรียกว่าเวทนาหรุปสนา เวลาลมเข้าลมออกอยู่นั่นตรวจดูจิตใจของตนจิตผ่องแพ้วหรืออะไรเป็นกุศลหรืออกุศลตรวจพร้องกันกับลมเข้าลมออกเขาเรียกว่าจิตตานุปัสนาพิจารณาความไม่เที่ยงในลมเข้าลมออกเขาเรียกว่าธรรมานุปัฏนาบริบูรณอยู่แล้วแล้วเขพิจารณาจนลงถึงอนัตตากลายเป็นแต่สักว่ากายพร้อมกับลมเข้าลมออกเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนาพร้อมลมเข้าลมออก เป็นเทสัว่าจิตพ่อข้อมลงเข้าลำออกทาเป็นเทสะว่าทพาพ่อข้อมลงเข้าลำออกก็เรียกว่าสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ไม่ใช่พิจน า, นาสิ่งเหล่านี้จะให้เบรกไปพระนิพพานพิจน า, นาเพื่อให้เบื่อหนา่าเพื่อให้คลายเมาต่างหาก ทุก็ไม่ใช่จะแบกไปพระนิพาลพิจารณาให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏฏะสงสารเท่านั้นอันนี้จังก็มาให้หมายว่าจะให้แบกไปพระนิพาลพิจารณาให้เบื่อหน่ายคลายเมาทั้งนั้นอนาตาก็เหมือนกันไม่ใช่จะหอบอนาตาไปพระนิพานก็พิจารณาให้เบื่อหน่ายคลายเมาเท่านั้นเพื่อถอนคืนเพื่อสลัดคืนเท่านั้นจาโภปเินิสโคมุติอนาโยให้ถอนคืนเสียเถิดยะเถิดยะอะไรท่านพูดอย่างนั้น อนยะสมุขคาตู่าอะไรวัตุปเฉโทตันหักคาโยจะสิ้นตันหาวิลาโคจะสิ้นกำหนักนิโรโทรจะดับสนิทนิพพานังอันหาเครื่องเสียบแทงไม่ได้ปฏิบัติเพื่อพนทุกข์แล้วมันปัญหามันไม่มีมากอะไรดอก ถ้าปฏิบัติเพื่อราภเพื่อยศปัญหาของมันก็ยุ่งเหยิงเข้ามาในจิตในใจของเราไม่รู้จะแก้อะไรต่ออะไรเพราะเอากิเลสแก้กิเลสเอาความอยากแก้ความอยากมันก็แก้ไม่ได้เอาความทะเยอทยานแก้ความทะเยอทยานมันก็ไม่ได้เอาความเกลียดข้านแก้ความเกลียดข้านมันก็แก้ไม่ได้เอาความสงสัยแก้ความสงสัยมันก็ไม่ได้ ต้องเอาปัญญาแก้ความสงสัยต้องเอาความหม่นแก้ความเกียดเกียร์ค้านเห็นโทษในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ก็คือเห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่นั่นเอง ก็คือดับความเพลินในวัะสงสารอย่างเต็มที่นั่นเองถ้าเห็นถ้าเห็นพอริบหลีริปหีก็ดับความเพลินพอริบหลีริบหีเหมือนกันเดี๋ยวก็ขบวคืนถ้าเห็นชัดก็ไม่ขบวคืน สัพพะโลเกะเพรตตาสัญญาสัพพะโลเกอนิทะกะสัญญาสัพพสังขารีเอสุอนิทะกะสัญญาท่านทั้งหลายจงเบื่อหน่ายจงคลายเมาในสังขารเสียถืดท่านทั้งหลายจงเบื่อหน่ายจงคลายเมาในโลกท่านปวงเสืียถือท่านทั้งหลายอย่ายินดีในโลกท่านปวง ตงพิจารณาให้ใคลายความเมาแบบแยบคลายเย็นๆเถิดถ้ายิงกับโทโสโมโหไปผูกคอตายไม่ถูกนะพิสูจนทั้งหลายไปยินไปกินยาฆ่าตัวตายก็ไม่ถูกนะพิสูจทั้งหลายเพราะไม่เป็นยานอันตรงเทพมีโทสะสัมปยุติอยู่มีความหลงสัมปยุติอยู่ มีความไม่รอบครอบสัมพยุตอยู่พ้นไปแบบแ ย, ยบคลายแบบเย็นๆยนเป็นสมาวิมุตต์ท่านพูดอย่างนี้พระบรมศาลาทิสุสมัมเนอยบาสกุบาชิกา เธอทั้งหลายไม่มียานวาพ้นทุก์เธอทั้งหลายอย่าถือวิสาสะเถิดอย่านอนใจเถิดรีบดับไฟไฟกำลังไหมศีสะแล้วพรุ่งนี้เธอถึงจะดับหรือเธอก็รีบด่วนดับในวันนี้โกชัญญามรนนังสวย พวกเธอไม่รู้ว่าความตายจะมาในวันพรุ่งนี้นี้เรียกว่าตายจากลมปราณสักกาเชตุงะเนนวาเมื่อมีท่านผู้ใดในโลกจะไถ่ถอนความตายไว้ได้ด้วยเมตดมนหรือด้วยซับ ถ้าหากว่าตายไม่เป็นมันก็พอเกิดอยู่ถ้าแก่ไม่เป็นก็พอยินดีในเกิดอยู่ถ้าเก็บไม่เป็นก็พอยินดีในเกิดอยู่เพราะมันพอใช้พอสอยอยู่แกเป็นเก็บเป็นตายเป็นทนทุกข์ในยากความไม่สบายกายไม่สบายใจในชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นของผลในยากตัณหาคือความทยานอยากได้ ชือว่าสมุทัยพราะเป็นเหตุในทุกเกิด ต, ตัณหานั้นมีประเภทเป็นสามคือตัณหาในอารมณ์ที่น่ารักใคร่ชอบใจเรียกกามะตัณหาอย่างหนึ่งตัณหาในความอยากเป็นโน้นเป็นนี้เรียกวิภะตัณหาอย่างหนึ่งตัณหาในความไม่อยากเป็นโน้นเป็นนี้เรียกวิภ ะ, ะตัณหาอย่างหนึ่งก็คือความโกรธเราดีๆนี่เองความดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธพราอเป็นความดับทุกข ปัญญาเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกข์สิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิดสิ่งนี้ความดับทุกข์สิ่งนี้ทางดําเนินให้ถึงความรดับทุกข์ในชอว่ามรรคเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อเราพิจารณาทุกข์เนารมณ์อยู่สมุทัยจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คลายลงทุกข์ทั้งหลายก็คลายลงมรรค ก็เจริญไปในตัวนี้รลิก็ทำให้แย่งไปในตัวพิจนาอานิจจังอยู่ก็เหมือนกันพิจนาอสุภะอยู่ก็เหมือนกันพิจนาพุโทโธนั้นคือผู้มีศรัทธาจิตจริตเป็นเครื่องอยู่เป็นที่สบายของผู้นั้นจะเป็นคนไม่กะตันอยู่ จะเป็นคนไม่อากตันยูจะเป็นคนกรตันอยู่อา น, นิสง์ของพุทธทมีสิบสามประการอา น, นิสง์ของอาณาปานาสติมีสามสิบประการอา น, นิสง์ของกายคตาสติมียี่สิบเอ็ดประการอา น, นิสง์ของผมมอวิหารมีสิบเอ็ดประการแต่ว่าเมื่อทำแล้วมันก็หาประมาณไม่ได้อา น, นิสงค์พิจารณาความตายไม่มีประมาณ นะครพระรามมมหาในสังสาแปลว่าไม่มีประมาณแต่ว่าแต่ละองค์ละองค์จะไม่พิจารณาความตายไม่มีเลยก็ต้องพิจารณาความตายเหมือนกันความตายกับอนิจจังก็คือความหมายอันเดียวกันถ้ามันเที่ยงมันก็ไม่ตายมันไม่เที่ยงมันจึงตายถ้ามันเป็นสุขมันก็ไม่ตายมันเป็นทุกข์มันจึงตายก็ดึงมาใส่กันได้กับพิจารณาทุกครั้ง ก็พิจารณาอนัตตก็ดึงกันมาใส่ได้ถ้ามันอยู่ในอำนาจราษนาของเรามันก็ไม่ต้องตายมันก็ไม่ต้องแก่มันก็ไม่ต้องเก็บมันก็ดึงกันได้ทั้งนั้นกรรมฐานเพราะกรรมฐานไม่ได้ไปกี้ไปโป้นกันหรอกความเข้าใจผิดของเราไปกี้ไปโป้นต่างหากเรียกว่าเราภาวนาไม่ลงไม่ลงเอ่ยปัญหาของตนก็ไปกี้ไปโป้นตนเองทำให้สงสัย ที่นี่พอให้พวกคุณปราลบที่นี่เหนื่อยแล้วพวกคุณจะปราลบอะไรก็ต้องปราลบเพราะคนคนเดียวจะทําให้ถูกจริตทุกๆุกท่านมันก็ไม่ได้บางทีคนหนึ่งคัดข้องอันหนึ่งคนหนึ่งคัดข้ออันหนึ่งทํานาหว่านทํานาเมือง ไม่ใช่ทำนาสวนทำนาสวนก็ต้องดำต้องสอนกล้าทำนาเมืองก็ต้องหวานกันไปเลย าไม่ได้ทำวิสาขะเพราะที่ที่เวียนเพียเวียนเวียนเทียนไม่ไม่เหมาะสมแต่ว่าปีนี้ถ้าเพร า, ามีท่านทางไกลมาด้วยก็จะพาทำวิสาขะปีนี้สังเวทนิยะสีสถานสถานที่ ประสูสถานที่ทัศรู้สถานที่แสดงธรรมจักสถานที่ตรงอายุสังขารและนิพพานควรจัดเป็นสังเวชนิยะสถานให้ระลึกถึง เป็นของสำคัญทั้งหลายผู้ใยลึกถึงจะเกิดเป็นปามาพระรจกุศลซึ่งเป็นมหากุศลท่านพยารบอย่างนี้เจ้าชีอาจารย์ก็เลยผูกบาลีเข้าอัชชายางมาฆปุณนณนีหรืออัชชายางวิสาขาปุณนณนีมาฆนัดเตนะปุณณจันโด จันทรวันนี้เป็นวันมาฆะเป็นวันวิสาขะมีพระจันทร์เต็มดวงว่าอย่างนั้นถ้าแปลออกเป็นไทยมาถึงแล้วเป็นวันที่ประสูตรหรือเป็นวันที่ลงอายุสังขาร ของพระบรมศาสดาเพื่อได้ปรุงทำสังเวทมีปัญหาสอดเข้ามาว่าถ้าเราภาวนาหรือทาความเพียรอยู่ไม่มีกางวันกลางคืนจะเรียกวันวิสาขาได้หรือไม่จะเรียกว่าวันมาฆะได้หรือไม่มันก็ได้อยู่โดยตรงตรงก็คือมีความหมายอยากจะให้ทำบุญนั่นเองอยากจะให้ปฏิบัตินั่นเองวันวิสาขาและมาฆะก็ดี ที่นี่บุญพระเวสสันดรที่นี่เรื่องของพระเวสสันดร น, นั้นให้ทานแล้วก็ไปรักษาศีาลห้าเนี่ยก็ภาวนาเพ่งเตโชกสินและแผ่เมตตาด้วยถ้าใครมีทานมีศีลมีภาวนาอยู่ทุกวันก็เรียกว่าทำบุญพระเวสสันดร อ, อยู่ในตัว เรื่องความของพระเวสสันดรก็มีท่านนั้นจะเทศวันยังค่ําก็ตามชูชกชูเช็คมัดสีมัด ส, สาอะไรก็าตามจนลผลมหาผลอะไรก็าตามสักกติสั ก, สกบันอะไรก็าตามก็มีความหมายอันเดียวกันเทศวันยังค่ําจะเอามาปฏิบัติเพศพระเวสสันดร น, นั้นมีสิบห้าสิบหกกันก็ตีความหมายยนเอามาปฏิบัติพระเวสสันดร เมื่อที่จาาทานแล้วก็ไปรักษาสินา้าก็ภาวนาเพ่งเตโชกศินกับเมตตาด้วยแบ่ง เ, เวลาทําบางเวลาก็เพ่งเตโชกสินบางเวลาก็เพ่เมตตาถ้าหากว่ามีทานมีสินมีภาวนาอยู่แล้วก็เรียกว่าเอาบนพระเวทสัน้นรอนอยู่ไม่มีกลวันกลางคืน บุญปั้นข้าวกี่ก็เหมือนกันนางปุณณธาสีทานแป้งกี่หรือข้าวกีนะ่ที่เผานะเผาเอาก้อนข้าวบางท่านว่าลำก็ไม่ว่าแต่บุญนางปุณณธาสีละข้าวนึ่งข้าวหุงเราก็ได้ทานอยู่ เราก็ได้สายบาตรให้พระอยู่ก็เรียกว่าเราเอาบุญเข้าวหุงทาบุญอยู่ในบ้านบ้านก็ไม่แย่งมารับด้วยทําบุญอยู่ในเมืองเมืองก็ไม่แย่งมารับด้วยทาบุญยืนคิริยาที่ดื้ยืนก็ไม่แย่งเออด้วย บุญนั่งพิธิยาที่นั่งก็ไม่แย่งเอาด้วยก็คือใจเป็นผู้ได้คนเดียวทรบุญฉลองกุติกุติก็ไม่ไ ป, ไปแย่งเอาก็จิตใจอย่างเดียวนั่นเองเป็นผู้ได้บุญทำบาปก็เหมือนกันยืนเดินนั่งนอนไม่ ไม่ไปแย่งเอาบาปเอาบุญกับจิตกับใจจิตทำบาปในเวลายืนเดินนั่งนอนจิตก็ได้บาปคนเดียวยืนเดินนั่งนอนไม่ไปแย่งเอาด้วยฉลอง พ, พ้พาไตรปิฎกพ้าไตรปิฎกกระดาษก็ไม่ไปแย่งเอาด้วยเพราอยู่ในตู้ เพจิตใจของมนุษย์ท่านได้บุญผู้สร้างบุญเพราสร้างขึ้นจากนั้นพ้นจากกิเลสก็พ้นจากความหลงของตนก็อันเดียวกันข้ามทะเลหลงกับข้ามกิเลสก็อันเดียวกันทําลายกิเลสด้วยพระปัญญายาณกับทาลายความโง่คืออวิชชาก็มีความหมายอันเดียวกัน วิชาแปลว่างูข้อวัดทั้งหลายที่ปฏิบัติเรียกว่าวิชาจรณสัมปนูพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่ก็เรียกว่าวิชาเจรณะสัมปนูเพราะเป็นเจรณะที่ควรพิจารณาอันประกอบไปด้วยเจรณะที่พิจารณาเพื่อให้เบื่อให้หนายให้คลายจะไปสู่สุขโตจะเป็นโลกวิทู พรรู้แจ้งโลกโลกคืออนิจจังคือทุกขังคืออนัตตารู้แจ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เรียกว่ารู้แจ้งโลกเหมือนกันแต่สาวกจะไปรู้แจ้งโลกเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มินะนั้นแล้วจะลืมตัวตีตนเสมอท่านต้องแยกออกมาอีกพุทธสีจำพวก สมมาสัมพุทธะเป็นของพระพุทธเจ้าพระประเกดกุพุทธะสาวะโกพุทธะคือผู้เป็นเพศชายสาวิกาพุทธะคือเป็นเพศหญิงที่เป็นสวดาบันสกทาคามีอนาคามีพะละหันเรียกว่าพุทธะสีจ่จำพวกผู้ปารถนะสาวกสาวิกาจะรู้สักเพียงไหนก็เรียกว่าสาวกะพุทธะ หรือสาวกพุทธหรือสาวิกาพุทธจะเรียกประเจกกะพุทธหรือสมานธรมพุทธไม่ได้คำว่าพุทโธพุทโธแปลว่ารู้ก็จริงจะรู้สักเพียงไหนก็เป็นสาวกเพราะเราปราจานาสาวกจะรู้สักเพียงไหนก็ตามก็เพราะเราเป็นเพศหญิงก็เรียกว่าสาวิกาพุทธถ้าประเจกจะรู้สักเพียงไหนก็ตาม แต่ถ้าคำว่าสัมมาสัมพุทธะไม่ได้ประเจกพุท ธ, ธเท่านั้นสัมมาสัมพุทธะเป็นที่หนึ่งระเจกาพุท ธ, ธเป็นที่สองสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเส้นสาวกะพุท ธ, ธที่สาม สารีบุตรพระมหากตปะพระอานนนก็มีคุณค่าเสมอเดียวกันกับภาษารีบุตรละโมกคันลามีคำสอนเข้ามาว่าสารีบุตรกระโมกคันลา พระโกลทัญยะวัปะพัธิยะมหานามะอัตชิขวัมปติพวกเหล่านี้บวชก่อนอุปสมบทก่อนพระอานุนภาษาลีบุตรนโมคันลานั้นปราธนาเป็นสาวกบางซ้ายบองขวามาแต่ขั้งพระเจ้าอนมมัสสีท่านก็เลยจัดตามวาสนาบารมีพวกนั้นที่ป่าธนามาไม่จัด ตามความสเสเพาทำไมถึงเอาลูกอาอาสุโกธนะพระอานุนเป็นน้องชายพระสุดโทธนะมาเป็นผู้อุปถาทำไมถึงเอาญาตของตนที่อยู่วงโลกิยะมา วงศากยะมาก็าพระพระานุนปารธนาเป็นพุทธอุปถามาหลายชาติหลายครบแล้วให้ตามความปารธนาให้ตามความสร้างบารมีของพวกท่านที่สร้างมาเพราะเหตุใดท่านจึงอธิบายเรื่องนี้เพราะสงสารโก ผู้กิเลสหนากล่าวตู่พระองค์ว่าพระองค์ลําเอียงเอาภาษารี่บุตรโมกขลาไปเป็นสาวโมกบังซ้ายบองขวาพระองค์ก็เลยเทศสิ่งเหล่านี้ให้ท่านทั้ทงหลายเหล่านั้นฟังให้แก่งแจ้งท่านทั้ทงหลายเหล่านั้นก็สิ้นความสงสัยเราไม่ได้ลําเอียงเอหิพิคูพระสัมปทาท่านจงเป็นพิสุมาเถิดทําเรากล่าวดีแล้วท่านจงพระพฤติพระมจรรจเถิดเพียงเท่านี้ บวชเองพี่ครขาสมถาบาตรีวรสเเลื่อนลอยมาเองผมก็ไม่ได้โกนโน่นเองมีโกนก็มาเองทําไมพระบรมศาสด า, า, า, าไม่เรียกเอาหมด ก, ก็เพราะเหตุว่าเรียกตามวาสนาของพวกนั้นที่สร้างมาพวกนั้นสร้างมาในพกก่อนๆในพระองค์เจ้าก่อ น, อนเคยได้สร้างบริขาร แครบบริบูรณ์แก่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาหลายชาติหลายภพเหตุฉะนั้นพระบระมศาสด า, า, า, าจึงร้องเรียกเราไม่ใช่จะเรียกเอาตามอํานาจของเราเรามองดูอํานาจของพวกนั่นเช่นก่อนพระบระมศาสด า, ษ า, ษาเรามองเห็นว่ากุศลบารมีของพวกนั่นเคยได้บริจาคทานบริขารแปดครบมาในพระองค์ก่อนๆข้าพ ร, พรเจ้าจึงเรียกขึ้น ถ้าอย่างนั้นก็เรียกขึ้นตามอำเภอใจไม่ได้เพราะอาศัยวัฒนบาณิของพวกนั้นมาไม่ใช่เดชของเราอย่างเดียวท่านพูดอย่างนั้นเอาไรมงศมาสศดารณะเหนือาตาโรคธานแล้วสาธารณอื่นไม่ต้องพยองก็เป็น ไม่ปราศตีตนเทียมถึงท่านก็ตามปราศตีเสมอคือยกตนเทียมท่านมีน้ำซํำกล่าวตัวว่า้ทวรามาศาสดาเป็นลูกศิษย์ของศาสนาเขาอีกซ้ำเขาสร้างวิชานรกเ้าขะน่าสงสารเหมือนกันบอกว่าพระผู้เป็นเจ้า ให้พระโครมไปประกาศศาสนาอย่างนี้ก็มีสารพัดเขาจะพูดให้เขาพูดไปเราไม่อจจัศจรรย์หรอกพระทุกวันนี้มันเป็นสงครามศาสนาเขาถือไม่มีบุญมีบาปเขาก็ถือศาสนาที่ไม่มีบุญมมีบาปเขาก็หาพรรคของเขาเหมือนกัน แต่อุปสปรรคปัญญาวิเศษยทําให้นักป่าตเบื่อหน่ายทุกทวีขึ้นเบื่อหน่ายกองทุกทวีขึ้นเมื่อโลกมีอุปสรรคกีดขวางมากนักป่าก็ยิ่งเป็นที่ไม่พอใจในโลกก็ยิ่งเพิ่มความเบื่อหน่ายของของโลก ถ้าไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายแก่เก็บตายเป็นอุปสรรคแต่ละอย่างละอย่างโรคกโหลงก็เหมือนกันก็ไม่ไม่มีใครอยากจะออกหนีนี่เมื่อไม่มีโรค ก, ก็ไม่มียาแก้โรคก่อนที่จะมียาแก้โรคหรือบรรเทาโรค ก, ก็เพราะมันมีโรคชั้นใดก็ดี เมื่อมีแก่เก็บตายประจำโลกมีทุกประจำโลกสิ่งที่ไม่มีทุกก็ต้องมีสิ่งที่จะประพฤติออกจากกองทุกก็ต้องมีเป็นธรรมดามียอดมีมีร้อนแล้วก็มีเย็นแก้มีเย็นแล้วก็มีร้อนแก้มีมืดก็มีสว่างแก้มีเกิดแก่เก็บตายก็มีทางให้เกิดไม่แก่เก็บตายแก้แล้วก็มีทางปฏิบัติแก้อีกด้วย ก็หายถึงสุดทุกข์โดยชอบปัจจุบันในิตปัจจุบันนธรรมอันใดที่ลุดพ้นแม้ก็ปอกไม่เนื้อศีไม่กําเริบไม่ขบทคืนนักปฏิบัติเพื่อคนทุกไม่ว่าตาสงสารก็ต้องดิ่งลงอย่างนั้นถ้าเราจะ ปฏิวัติพพุทธศาสนาพอเป็นนิสัยปัญหาของเรามันก็มากถ้าต้องการพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติปัญหามันน้อยลงแล้วนะ่ย ถ้าเป็นไม้ไผ่ก็ท่างแขนงมันออกแล้วยังแหลืต้นของมันก็ตัดเอาตัดเอาตัดเอาตัดเอาเอาทะนะ่านั้นกิ่งของมันที่เป็นหนามมันมันฟันออกหมดแล้วที่เรียกว่าหนามที่เรียอว่าครุยของมันนั้นก็ยังเหลือแต่ต้นของมัน ฟันเอาฟันเอาฟันเอาอ เ, อาอเอาท่านั้นถ้าว่าทาพอเป็นพิธีปฏิบัติพอเป็นพิธีพอเป็นนิสัยพอให้เป็นเครื่องอ้างผู้อื่นพอให้เข้าสังคมได้เพราะโลกาทิปไตยเขาพาทำาก็ต้องทามันปัญหามากมาก ถ้าทำเป็นธรรมมาทิปไตยวอาเพื่อพ้นทุกโดย่วนแล้วปัญหาก็ไม่มากผู้ต้องการจะพ้นทุกโดยดวนมันมีเหตุผลเป็นยังไงก็เพราะเหตุผลเขาเห็นโลกเต็มไปด้วยกองทุกชัดเขาเห็นสนามเวนสนามไัยชัด โลกก็คือสนามเวียนสนามภัยเราดีๆนี่เองสนามทุกเราดีๆนี่เองคุกใส่สัตว์ทั้งหลายเราดีๆนี่เองนับแต่พรมลงมาโลกลงมาเรียว่าคุกใส่มนุษย์ด้วยใส่เทวดาด้วยใส่พรมด้วยแต่เทวดาแบ่งออกเป็นสองเทวดาในทางโลกีเทวดาในทางโลกุตละ คือพระโสดาบันทศกัณฐ์ามีนาคามีอัลหันเดินลงมาเป็นสองถ้าเป็นสามส ม, มุติเทพเทวดาโดยสมุติอุปทิเทพเทวดาโดยกำเนิดวิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์คือพระหันเทวดาโดยกำเนิดคือเทวดากำเนิดในสวงสวรรค์เทวดาโดยสมมุติคือบิดามดาปู่ย่าตายายตลอดถึงพระมหากรั ตลอดถึงท่านผู้มีคุณเช่นคุณครูก็ดีคุณอาจารย์ก็ดีผู้สั่งสอนเรียกว่าเทวดาโดยสมมติเทวดาโดยบริสุทธ์แท้คือพระรหัตเทวดาโดยกำเนิดก็คือเทวดาที่เกิดในสวงสวรรค์ถ้าขยายออกเป็นสามถ้าย่งงานลงมาเป็นสอง เทวดาในโลกีเทวดาในโลกุตละเทวดาในโลกีก็คือผู้ยังไม่ถึงพระโสดาบันแต่ว่ามีพระคุณอยู่เช่นบิดามันดาที่ยังไม่ถึงพระโสดาบันเป็นต้นถ้าบิดามันดาของเราถึงพระโสดาบันก็ไม่ควรใส่ว่าเทวดาโลกีเป็นเทวดาโลกุตละแต่ถึงหรือไม่ถึงเราก็ไม่รู้กับท่านไงวาเป็นของใครของมันแต่ก็สังเกตได้ เหมือนกันวิดาของอาตมารู้จักจนวันตายรู้จักวันจะตายรู้จักเวลาอีกด้วยผิดไม่ไม่ผิดเลยถูกเพงเลยพรุ่งนี้นะพ่อจะชิ้นลมปลางพระโลกชะลามาแล้วลูกเอ๋ยเมื่อเสมมหะหรือเสดมันขึ้นมาแล้ว มันมันมันไม่มีกำลังขาดออกไม่มีกำลังจะคายออกมันก็มาอัดหลอดลมมันก็ตายเท่านั้นลูกเอ๋ยเพราะไฟธาตุแข็งแรงวันนี้ค่ายลูกทั้งหลายดูเฉยๆนะดูแต่หูแต่ตาเฉยๆอย่ามาลกกวน ให้พ่อดื่มน้ำพ่อจะตั้งใจภาวนานอนตะแคงข้างขวาและตลอดรุ่งเลยต่างคนก็ต่างจ้องลูบิดาของุนล้อมรอบอยู่อยู่เพียงไลลงมาเพียงปลายเท่าก็มีมีหลานคนหนึ่งลูกพี่ชายมพีพี่สาวอีกคนหนึ่งแล้วก็มีเคยอีกคนหนึ่ง ในเวลานั้นเราเป็นพระอยู่สองพันสี่รอยแปดสิบหกเรากำลังเรียนหนังสืออยู่เดียนหนังสือทำโท่อยู่สองพันี่รอยแปดสิบหกแต่ว่าแก่แล้วเราอายุสามสิบเลยมาแล้วสองสามปีแล้วสองปีแล้วถาที่สองปียังไง สองพั uh, นสีสอันสี่ร้อแปดสิบแปดสิบหกนิดาก็นอนจะแกงข้างขวาหายใจเป็นจังหวัดจังหวัดจังหวะพอถึงเวลาคาดคณี แสงทองขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นก็เป็นวันใหม่เต็มภูมิหายใจเงียบไปเลยต่างคนก็ต่างมองดูจนเถียงกันว่าหมดบางคนว่าไม่หมดนี่เอาค่อยค่อาเบาๆไปสอบดูในที่รูจมูกไม่เห็นทัดเลยเออหมดไปแล้ว เลิกคิ้วก็ไม่เลิกศพก็ดีๆอยู่ตาก็ดีๆจมูกก็ดีๆบางท่านจมูกงิกงกอย่างนี้สิ้นลมบางท่านก็อักที่คอนี่อันนี้เงียบเลยนี่ไม่แสดงอาการยังไงพ่อมิดามณนานะภาพงามนะักมันดาก็เหมือนกัน มันดาเราก็เป็นพระอยู่เหมือนกันโยมันดาโยมันดาภาวนาพุโทโธเนอ้อพุโทโธอยู่ข้างในใครเป็นผู้บริกรรมพุโทโธให้สอแนแหนมอยู่ที่นั่นเนอ้ออย่าพุโทโธออกนอกเนอ้อใครเป็นผู้ว่าพุทใครเป็นผู้ว่าโทก็ให้เพ่งอยู่ที่นี่เนอ้อนี่ก็เข้าใจความหมายไลย้ พาวนาไปประมาณชิบ้านาทีพอสิ้นลมปานเงียบนี่ก็ดีเพราะโลกชลาไม่พิกเลยไม่กระดิกอะไรเลยมนานานี่ก็ดีพี่สาวพี่สาวคนหนึ่งเป็นโรคตาเหลือง เออโรกอันนี้มันตายยากมันเป็นทุกยากทุกยากลูกนอก้องเอ๋ยพยุงพี่ให้ยืยนขึ้นว่าบอกลูกลูกเขาเราก็ไม่ไประยุงหรอกลูกลูกเขามีอยู่ถ้าอย่างนั้นพยุงให้ยืนขึ้นพอยืนขึ้นแล้วเออไม่ต้องยืนก็ได้ พี่จะนอนตายดอกแล้วก็เอานอนลงแล้วก็สิ้นลมปาณเลยแล้วยบเงียบเหมือนกันพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นผู้ใา่ บ, บ้านเป็นโรคอะไรไม่ทราบที่แรกก็ลงทองออกจากนั่นไปแล้วก่อ ไม่ต้องการดื่มนะ้าไม่ต้องการดื่มอาหารเคี่ยวอาหารคนไม่ดื่มนะ้ําคนไม่เคี่ยวอาหารอยู่เดือนหนึ่งทนเหมือนกันนะ้าไม่เอาข้าวที่เขาต้มเหลียวไม่เอาพอเอาไปก็ไอเจียนใส่เลย พนอยู่เรือนหนึ่งมีแต่ร่างกระดูกเหี่ยวแห้งเวลาจะทิ้นลมปาณไปนองมือขึ้นนอนในแขงข้างขวาไม่ต้องมาผูกวัดมือพี่นะพี่นบเองแล้วพี่กราบเองแล้วนบเองแล้วเอางี้นอนในแขงข้างขวา สเียงหนเขารับตายพระตายเป็นความจริงเป็นของจริงก็เขารับตายเขารับตายก็คือเขารับทำนั่นเอง น, อเน้องวิเงียบไปเลยนี่ก็ดีคนหนึ่งชื่อทิศสิงเป็นลูกหม้อปีนะ่ะเป็นสีในทอป่ัวอยูป่ประมาณเดือนหนึ่ง เอาอยาอะไรมาใส่ก็ไม่ถูกผู้พี่ชายคนที่มันละพาไปก็เหมือนกันยาอะไรมาใส่ก็ไม่ถูกเพราะสมัยนั้นก็เป็นยาฝนยาชาวบ้านยาหลักไหมยาสมุนไพรนั้นที่ชายคนนั่นก็ไปเ ย, ยเงียบเลย พี่จะสมมุติรักษาศีลเสียก่อนเ ม, มืกก่อสมมุติศีลแล้วก็ไปอีกไม่นานเพราะิ้ลลมปานการพิจนารณาความตายมันก็มีกำลังอยู่เหมือนกันเพาะมองไป อดีตก็มีแต่ก้อนตายมองไปอนาคตก็มีแต่ก้อนตายมองดูมาปัจจุบันก็มีแต่ก้อนตายสัตกทั้งหลายจะดีเด่นสักเพียงไหนจะอายุยืนสักเพียงไรก็าตามก็ไม่พ้นตายตายอันเดียวเท่านั้นพิจารณาพ่อหลวงควบลมหายใจเข้าออกก็ได้กําลังอยู่เหมือนกันก็ทําให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัดตสาสงสารได้เหมือนกันก็มนานทัแต่และอย่างละอย่างดีทั้งนั้นก็ให้เราทําให้เขียนจริง ท่านบอกว่าให้สั่นโดดก็คือสั่นโดดในกรรมฐานที่ตั้งไว้นั่นเองไม่ใช่ว่าให้สันโดดแต่กี ว, วอนมินทบาทเสนาและสนตะและเพศัให้สั่นโดดทั้งกรรมฐานด้วยอย่าคว้านั่นควานี่ทําอันนั้นยังไม่เสร็จมันยังไม่เห็นคุณก็ไปคว้าอันนั่นมาเรียกว่าทํางาน จ, จ, จ, จุดจับไม่ดี พิจารณาอสุภะอันเดียวก็ได้กำลังพิจารณาเมตตาอันเดียวก็ได้กำลังแตกฉานไปเองพิจารณาพุทโธอันเดียวก็ได้กำลังพระธรรมโมก็อยู่ที่นั้นสังโฆก็อยู่ที่นั่นเป็นแต่เพียงอักษรย่อเฉย กรรมฐานอันเดียวเกี่ยวกับหมูมาหมดถ้าเราพิการณาเนืองให้ติดต่ออยู่ไม่ขาดสายกรรมฐานอื่นๆก็ดึงมาอยู่ในตัว้านะเป็นที่ตั้งแห่งการพิจารณาทำไมถึงพิการณา ถ้าไม่พิจารามันหลงสิ่งที่มันหลงดองอยู่ในคันท่าสันดานมันก็มีอยู่สี่ข้อที่สำคัญสาคัญหลงของไม่งามว่าเป็นของงามหนึ่งหลงของปฏิกูลว่าเป็นของงามเช่นหนังหุ้มอยู่โดยรอบเป็นต้นหลงของว่าไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงเช่นหนังหุ้มอยู่โดยรอบเป็นต้น หลงของเป็นทุกว่าเป็นของสุขก็คือหนังหุ้มอยู่โดยรอบเป็นต้นหลวงของที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนเอาจิงๆกลงๆจนแกะไม่ได้คลายไม่ออกก็คือหนังหุ้มอยู่โดยรอบถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่หลงสิ่งเหล่านี้แล้วพบชาติของสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีไม่ได้ประกอบภพก่อชาติอีก ทำฐานอันไหนก็ดีหมดนะ่ะขอให้ทำจริงเท่นั้นถ้าทำมากพาวิตาพระหรีกตาทำให้มากให้ติดต่อให้มากสังวัตตันติอภิน ญ, ญายะนิพพานายะจโพริยาท่านทั้งหลายจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจงทำให้มาก สองอันเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสยัยคือน้อมลงมาในปัจจุบันในจิตปัจจุบนธรรมเราพิจารณาอันไหนก็เรียกว่าสิ่งนั้นมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นไม่ใชม่มีอยู่ในอดีตไม่ใช่มีอยู่ในอนาคตไม่ใช่เราบุบนเพิ่พืมพำไปบ้า บ, าบา่บคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันมีจริงอยู่แก่เก็บตายก็มีจริงอยู่อันนีจังทุกขังอนันตาก็มีจริงอยู่สิ้นสมาธิปัญญาก็เป็นของจริงมีอยู่ทุกการ ไม่ใช่เราบนเพื่อบ้าเฉยๆบนแดดบนลมบ้าแดดบ้าลมเฉยๆมีจริงอยู่ทำทั้งหลายไม่ได้ขี้เท็จแต่ความโง่ของเราขี้เท็จเราเองไม่ใช่เราจะแตง่งทำไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแตง่งทำ เป็นเพียงเรียงทำเฉยๆของสิ่งเหล่านี้มันมีแล้วเรียงอันนี้ไว้นี่ให้เขาดูชัดๆเรียงอันนี้ไว้นี่ให้เขาดูชัดๆไม่ใช่พระบุรุษมศาสดาเป็นผู้แต่งทำเป็นผู้เรียงทำเฉยๆเพราะทำมีก่อนพระบุรุษมศาสดาแล้วถ้าพระบุรุษมศาสตาทำไม่มี่อนพระบุรบรมศาสตาพระบุรุษมศาสตาจะลูกอะไรก็ทำมีก่อนแล้วจึงลูกทีหลัง ถ้าดินไม่มีอยู่ก่อนเราก็บรญัติดินไม่ได้ชั้นใดก็ดีดินมีอยู่ก่อนเราจึงบรญัติว่าดินได้น้มไฟลมก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันทำไมจึงบรญัติและสมมติมากก็เพราะมันไม่พอใช้จึงสมมุติมากเช่นจรวดอย่างนี้ไม่เคยได้ยินแต่ก่อน ทำไมถึงเขาใส่ชื่อเรือนามมาอย่างนั้นก็เพราะมันไม่พอใช้เขาก็สมมุติตามสิ่งที่ไม่พอใช้นั่นเองในโลกนี้มันไม่มีสิ่งที่จะพอใช้เดี๋ยวมันก็สมมติอันอื่นขึ้นอีกไงดาวเทียมดาวธารอะไรแต่ก่อนก็ไม่เคยไม่ได้ยินแต่เขาก็บอกตรงตัวเหมือนกันดาวเทียมเขาก็บอกอยู่แล้วเพราะไม่ใช่ดาวเป็นของเทียมสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังทางนั้น ที่เราไม่ต้องการทำเทียมเราต้องการทำจริงที่นี่ธรรมะเทียมเราไม่ต้องการเราต้องการธรรมะจริงก็คือมรรคผลนิพพานเป็นธรรมะจริงธรรมะเทียมก็คือสังขารธรรมแต่ก็เป็นจริงตามฐานะของสังขารนั่นเอง หนังก็เป็นจริงตามหนังเนื้อก็เป็นจริงตามเนื้อกระดูกก็เป็นจริงตามกระดูกแต่สิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ใต้อำนาจของท่านผู้ใดเกิดขึ้นแล้วแตกสลายไปไม่มีใครเป็นเจ้าโลกทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกอันนี้จังเป็นเป็นกองปราบโลก ทุกคังก็เป็นกองปราบโลกไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมหรอกในโลกอันนี้ต่างเข้าใจผิดก็มาแย่งกันเฉยๆมาเป็นของกลัวเป็นของเมืองไอ้ที่แท้มันก็อา น, นิจจังดีๆนี่เองแย่งอา น, นิจจังกันแย่งทุกขังกันไปชขันแข่งกันในทางอา น, นิจจังสร้างอา น, นิจจังแข่งกัน สร้างทุกครั้งแข่งกันผล ท, ที่สุดก็ดินไปเป็นดินน้าไปเป็นน้าไฟไปเป็นไฟลมไปเป็นลมแตกสลายลงขี้เหรยังไม่หมดก็ไปตามกรรมอทีนี่เหนื่อยแล้วตายจุกกระจุก